ท่านฟังที่เคารพค่ะพระมารคชาคาวโรนะคะก็พบกับท่านฟังกันผ่านไปในช่วงต้นของรายการนําพวกเราทุกคนปฏิบัติสมาธิเป็นการเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่ประเสริฐสุดในชีวิตของแต่ละคนและสมาธินั้นท่านยังไม่ต้องหยุดนะคะสามารถที่จะอยู่ในสมาธิแล้วก็ฟังการสนทนาธรรมในลําดับต่อจากนี้ไปช่วงที่นําพุทธวจนะมาตอบคําถาม เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนวัดปาดอนหายโศกอุดรธานีนะคะกราบน้มักการกับท่านอาจารย์คะเฉลิมพานค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รายการสันสนิสนทนาดีใจมากนะคะที่เรายัางสามารถสนทนาธรรมเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยได้อะไราจากการพูดคุยกับท่านอาจารย์ทุกวันเลยนะคะอ้หูุ้มันไม่มีการเบื่อนนายเลยรู้สึกว่าเป็นการสนทนาที่มีความ อิ่ใจจากการสนทนาร่าเริงในธรรมค่ะออตัวทมายเองก็ขอแบ่งปนประสบการณ์นิดหนึ่งคือคาถามบางคำถามเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีคำถามในลักษณะนี้แต่ทำให้บางทีถ้าเราไมไ่ถูกถามเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตอบตอบอย่างนั้นได้เพราะนั้นพอมันมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยมีผัดสาบ ป, ป๊บเนี่ยเราจะมีการตอบสนองออกไปแต่ซึ่งหนึ่งนั้ น, น, นคือสัญญาบ้างเจตนาบ้างความวิตกบ้าง3ามอย่างนะ สัญญาเจตนาวิตกจะตอบสนองเอาจากการที่มันมีภาษสะในลักษณะนี้ทําให้มีประเด็นธรรมะอะไรต่างๆที่มาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังคุณสัญชนีได้อยู่เรื่อยๆใช่ค่ะ<ม>และที่ฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าท่านจะช่วยพวกเราถามนะคะเนื่องจากว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งกับตัวท่านเองแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆพระพุทธเจ้าสันสนเรื่องการถามคําถามธรรมะไว้ไหมคะโอ้ตัวนี้เรื่องสําคัญมากจริงๆเมื่อวันก่อนวันที่เราพูดถึงการตรัสรู้ของพระเจ้าใช่ไหม <ะ>วันวิสาขานี่เรายังไม่ได้พูดถึงคําสุดท้ายที่พระเจ้าก่อนปรินิพานใช่ไหมซึ่งตอนก่อนที่พระเจ้าจะตรัสคําสุดท้ายเนี่ยที่เราทราบกันมาดีนะว่าภิกษุทั้งหลายบัด น, นี้เราจะตือนพูกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาในพวกเธอทั้งหลายจงถึงความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนะก่อนจะตรัสคำนี้คุณโยมติ๋วนั้นะได้ถามภิกษุนะทั้งหลายบอกว่าเอา้า มีใครมีคําถามไหมมีความเคลือบแคลงมีความเห็นยั้งในพระพุทธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามเสียนะอยาเป็นผู้เดรร้อนใจในภายหลังว่าอยู่ต่อหน้าพระรูชาแล้วไม่ได้ถามโอเคนะถามอย่างนี้สามรอบนะคุณยมติว๋วกฏไม่มีใครถามเลยไหนะแล้วก็บอกอีกว่าเอาทั้งนั้นไม่กล้าถามวานเพื่อนถามก็ได้ไหนะถ้าเธอไม่กล้าถามให้เพื่อนถามให้นะพูดอย่างนี้อีกสามรอบก็บไม่มีใครถามค่ะไหนะจนกระทั่งพระอนนท์นี่โอ้โหงงเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนอัศจรรย์มากเลยโอ้ ถามถึงขนาดหกรอบขนาดนี้นะยังไม่มีใครถามนี้แม่ดีมากจริงนะผู้จ้างเรานี้เลิศดูดมากแต่พระเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าเออจริงจิภิกษุพวกนี้เป็นโสดาบันหมดละในยังไม่มีคําถามไม่มีข้อสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงในมรรคในข้อปฏิบัติหรอกเอาละเราจะเตือนเธอทั้งหลายนะว่าทั้งหายทั้งหลายไม่เที้ยงนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็หลับตาไปแล้วก็เอวังค่ะปรินิพ<ม>านไปเลยวนะคะ<ๆ>นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทร ง, งฝากไว้ในโอกาสที่ จะทรงไม่กลับมาเกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเตือนพวกเราด้วยคําใหญ่เลยว่าสังขารไม่เที่ยงนะอย่าประมาทเข้าทางดิชันพอดีเลยนะคะอืมเอ่อข้อนี้นิดนิึ่งคุยมถิ่นตองพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่พระชจ้าปรินิพานเนี่ยนะพระเจ้าเคยบอกว่าเราเนี่ยได้เคยปรินิพิเคยตายตรงเนี้ยมาแล้วเจ็ดครั้งในพระชาติเก่าๆของพระพุทธองค์ใช่ใช่เคยตายมาตรงเนี้ยเจ็ดครั้งแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายว่าอย่างนั้นโอ้โหแสดงว่าพระพุทธองค์เนี่ย ทรงเกิดมาอย่างรู้เป็นหมดนะคะรอบรู้ทั้งเรื่องของพระพุทธองค์เองแล้วก็เรื่องครอบจักรวาลลามะที่มาจากเนปาลที่ดูแลสถานที่ประสศุพระพุทธองค์ได้พูดกับผู้สื่อข่าวและผู้มีเกียรติในวันนั้นในวันที่มาขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันเบื่อนะอสถานที่นั้นเนี่ยนะคะบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกใครมีปัญหาอะไรเนี่ยธรรมะของพระพุทธองค์ตอบได้ทั้งหมด ใช่ไหมคะโอแน่นอนแน่นอนเลยนะคะทีนี้ที่ดิฉันบอกเข้าทางนี่ก็คือว่าหลายคนก็อาจจะคอยอยู่ว่าดิฉันพูดถึงไปงานศพแล้วผู้ตา ย, ยได้พูดขอบคุณแขกและเล่าเรื่องราวของตัวเองไว้อย่างน่าสนใจที่วัดท่าทองนะคะเขามีจ อ, อเป็นจอที่สามารถจะเอาเรื่องอะไรไปฉายก็ได้บางทีก็เป็นเรื่องของการแสดงความเสียใจแทนรีบนะคะจาก อผู้ที่เกี่ยวข้องรักใคร่นับถือทีนี้ท่านนี้ท่านเป็นนายสัตวแพทย์ดิฉันขออนุญาตที่จะเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพแด่ผู้ที่จากไปนะคะเพราะเป็นคนที่ดิฉันเคารพนับถือนั่นคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์คงศักดิ์ศรีธเนศชัยท่านเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเมื่ออายุได้เพียงแค่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีนะคะอื ก็ทิ้งลูกสาวซึ่งก็กำพร้ามานด้อยู่แล้วให้เหลืออยู่ตัวคนเดียวบนโลกแต่เพียงก็บรรลุนิติภาวะแล้วยี่สิบต้นๆท่านก็เปิดฉากด้วยการใส่สูตรอะไรแต่งตัวเรียบร้อยดูดีเลยมาพูดกับพวกเราดิฉันในใจหายวาบเลยนะครับเพราะว่าทานเข้าด้วยกันครั้งสุดท้ายเป็นสักเดือนเดือนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่เจออีกเลยมาเจออีกทีนึงก็ไม่เคย<อ> ท, รทราบมาก่อน ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่รู้ตัวและไม่ประมาทแบบท่านอืแล้วก็ได้เตรียมตัวในสิ่งเหล่านี้ไว้แต่พอมาฟังเรื่องราวจากท่านอ๋อมันมีเขาเรียกก็เป็นอะไรคะท่านคะที่มาเตือนด้วยการที่เกิดการหัวใจวายมาครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนประมาณเจ็ดปีที่แล้วแปดทุดที่แหล้วพระเจ้าชกนักเถืดทุ่คือหัวใจวายแบบเก <She ep S 2> ิพลันคืนมาได้ใช่ในคราวนั้นแล้วท่านก็บอกผมเนี่ยอ่า ได้เคยหัวใจวายเล่าอย่างนี้เลยนะคะเปิดฉากมาแล้วก็เห็นภาพต่างๆมันครั่งครูเข้ามาทําให้ผมเชื่อว่ามนุษย์เราต้องทํากรรมดีอืมถ้าไม่ได้บอกว่าท่านเห็นภาพอะไรบ้างอืมนะคะแล้วนอกจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องท่านอย่างมีสติแล้วท่านก็จบด้วยการว่ากระผมก็ขอกราบขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาในงานของผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> เห็นแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่า แขกที่มาทุกคนเนี่ยก็คงจะแบบว่ารู้สึกเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกนิยมยกย่องว่าโอ้โหท่านยอดเยี่ยมจริงๆตระเตรียมเอาไว้แล้วก็ชื่นชมลูกท่านด้วยนะค ะ, ะว่าเหลืออยู่ตัวคนเดียวแล้วยังสาวๆยังไม่มีครอบครัวเนี่ยก็สามารถที่จะมีสติในการที่จะทําในสิ่ง ท, ที่ท่านเชื่อว่าให้สติคนที่ไปในงานวันนั้นเยอะอว่าชีวิตเนี่ยมันประมาทไม่ได้ แล้วก็เราต้องเตรียมตัวแล้วท่านก็จะเน้นเรื่องให้ทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องกรรมดีค<ะ>่ะที่รับประเด็นนิดนึงน ะ, ค, ะคือเกี่ยวกับอันแรกคือเรื่องของเว p ั a คอที่ว่าเป็นเทวทูตมาเตือนเนี่ยหลายๆคนจะเจอเหตุการณ์นี้อยูนะ่คืออย่างเช่นเราป่วยหนักนะเราเกิดอุบัติเหตุหรืออยู่ๆมันหาสาเหตุไม่ได้ป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือคือเวกับคอทั้งนั้นเลยเป็นเทวทูต นะที่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงในะเทวดาทูตที่มาเตือนเราอยู่เพราะอาการป่วยก็ตามนเห็นคนที่ถูกลงโทษก็ตามนเห็นคนที่เขาแก่ก็ตามคนที่เกิดนะคือพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเทวดาทูตทั้งหอย่างนะนะคือคนเกิดเด็กแดงๆออกมาเนี่ยนะอย่างที่2คือคนป่วยนอนจมกองมุ่ยกองคุยของตัวเองในะอย่างที่3คือคนตายแล้ว1วันสองวันขึ้นอื่นนะอย่างที่4ี่ก็คือนะคนที่ถูกลงโทษนะถูกพระราชาจับมาแล้วลงโทษติดคุกอะไรพวกนี้อยู่ อย่างที่5ก็คือคนที่แก่นะเดินงกๆเงื่นเงนะืฟันหักผมหงอพวกนี้นี่หอย่างนะนะที่เป็นเท ว, วทูตของเรานะถ้าเราไม่ได้ถูกเตือนแล้วนะถูกเตือนแล้วคุณไม่รู้ยังประมาทอยูอ่อันนี้แหละจะต้องไปเจอโยมทูตอาจะต้องไปเจอก็เรียกว่ายมบาลนะพระเจ้าเคยเล่าให้ฟังตรงนี้อยู่โนะยมบาล น, นี่จะมาทําการสอบถามซักไซไลเลียถึงเท ว, วทูตทั้ง5นะ้าให้เราระลึกถึงได้ไหมถ้าเราเลือกไม่ได้คุณโพ้งนู่นเลยนรก อ๋อหรอคะใช่แต่ถ้านึกถึงการเกิดการป่วยการแก่การตายแล้วขึ้นอืดเห็นคนที่ถูกลงโทษได้เอ่อถ้าเรานึกได้นะเราก็คือจะระลึกถึงกรรมดีของเราได้อาถ้าคุณระลึกถึงกรรมดีของคุณได้คุณรอดไปเดี๋ยวคุณบานไม่ได้อ๋อหรอกค่ะใช่ทีนี้คือบางคนเนี่ยคือคือบางทีบางคนเนี่ยไม่สามารถระลึกถึงกรรมดีของตัวเองได้คือมันทำชั่วมาตลอดชีวิตอะ หรือว่าอย่างสมมุติที่เคยคุยไปในรายการนะคุณยมติ๋วที่ว่าอย่างสมมติในในหวันที่ผ่านมาเราไม่ได้จําได้ทุกเหตุการณ์ของวันหนึ่งนะเราอาจจะจําได้แค่1หรือ2ใช่ไหมแล้วถ้าใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็ไม่ได้จําได้เป็นย0่สเหตุการณ์เราจําได้แค่1ใน2สัปดาห์หนึ่ใน2เหตุการณ์ของสัปดาห์นั้นแต่เช่นเดียวกันในปี1ใน12เดือนใน10ปีในรอบ20ปีในรอบฉลอดชีวิตเนี่ยเราไม่ได้จําได้ทุกเหตุการณ์หรอกนะเราจําได้สสักก1หหรรือ2เเตุาาณ์ทีี่มมมควขข้้นูง ียมีเขาเรียกว่าอิโมชันอลแอตแทชมากคำถามว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบละ่ะค่ะถ้าเป็นลบก็สวยไปนะถ้าเป็นบวกก็ก็ดีไปค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นถัดมาเออประเด็นถัดมาก็คือคนที่มาในงานนี่อาจมาคิดว่าบางคนก็กลับไปบันทึกวิดีโอของตัวเองบ้างนะเออดิฉันกำลังนึกเลยค่ะว่าเออเราจะบันทึกของเราไว้ยังไงดีนะเนี่ยค่ะโดยนี้เทคโนโลยีมันก็มีตลอดนะ ก็คิดว่าบันทึกไว้ได้เหมือนกันก็เป็นการดีนะแต่มาว่ามาคอยเตือนสติผู้อื่นนะอย่างน้อยเป็นสิ่งที่พอเราเห็นคนหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีความระลึกถึงว่าโอ้สักวันหนึ่งฉันก็ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เราควรจะรีบเร่งความเพี่ยนที่จะเมื่อเราถึงเวลาในนั้นเราจึงยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ในอย่างนายสโรธาต์พงศักด์เนี่ยที่พูดถึงคุณยมติพูดถึงเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่พอถึงมันนั้นจริงๆแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะ น, <S <S <S นั้นนี่คืออตัวยางทีี่ดเลย ถึงวันนั้นจริงๆแล้วฉันยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ค่ะเราจะทํายังไงให้เราพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ค่ะทีฉันเข้าใจว่าไม่ง่ายนักรดนะคะอืหากไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตแล้วต้องมาพูดถึงวันที่เราไม่มีอีกต่อไปเนี่ยใช่พระพุทธเ้าจึงบอกอย่างนี้บอกว่าหนทางมีอยู่ปฏิปธรรมมีอยู่นะที่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามหนทางทําตาม วิธีการกระบวนการนะพอเราถึงเวลานะั้นเราจะสบายใจอยู่ได้ท่านคะกับการที่เหมือนกับผู้วายชนเนี่ย ม, มาสอนผู้ที่ไปงานอยู่ในทีด้วยเหมือนกันนะค ะ, ะการทำในสิ่งนี้มันก็จะมีคนที่ระลึกได้บ้างอาจจะไม่ได้ทุกคนด้วยความรู้สึกต่างๆแต่บางคนระลึกได้ถึงความไม่ประมาทเนี่ยคนที่วายช น, นได้กุศลได้อะไรไหมคะโอแน่นอนได้บุญนะได้บุญด้วย นะเพราะว่าจุดนี้กือจุประสงค์การไปงานสศพคนยมติวเพื่อที่จะได้ให้เห็นมันประากาศชัดแจ้งอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่มันจะรอดพ้นจากสิ่งนี้ไปได้นะนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องยืนยันมาอยู่แล้วในความเป็นถึงไม่เที่ยงแบบนี้ที่นี้ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนในคนหนึ่งนะเคเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยการตายตรงนี้นะแล้วก็ทําให้เราระลึกถึงว่าโอ้ธรรมะแบบนี้เราเคยได้ฟังแล้วในการก่อนแล้วในบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่ นะอันนี้คุณจะเกิดความมั่นใจในคําสองพี่เจ้าขึ้นมาได้มากจะเกิดปีติจะเกิดสมางทีน้ําตาไหลออกมาเลยอืมคือเวลาเราเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเราพบว่าโอ้ฉันก็เคยผ่านเหตุการณ์ที่เจอคนตายแล้ ว, ลวตอนตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคือมันคือเมสเซจมันคือเทวทูตนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะพอพอเราระลึกเห็นเหตุการณ์ตรงนี้เรารู้ว่าอันนี้เป็นเทวทูตไอเหตุการณ์เก่าๆที่มันเคยเป็นแบบนี้แบบนแบบนี้มาก่อนเนี่ยมันผางผางมาผางมาผางมาเนี่ย นะทําให้เราเรารู้ว่าโอ้เราเคยฟังธรรมแบบนี้แล้วในการก่อนนะฟังธรรมนี่หมไม่ใช่หมายความว่ า, วาคุณต้องไปเจอพระให้ก็พระเทพให้ฟังนะแต่เหตุการณ์แบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นแล้วในบทเรียนนี่เคยเกิดขึ้นฉันแล้วในชีวิตฉันเมื่อก่อนแต่ฉันไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งมาเดี๋ยวนีนน้นี่แหละคือศรัทธาที่จ ะ, ะทําให้เกิดพระเจ้าคือบอกบอกว่านี่คือศรัทธาคืออินทรีย์คือศรัทธาของบุคคลนั้น แล้วเราจะเกิดความเพียนเกิดขึ้นนะจิตใจเราจะตั้งมั่นจิตใจเราพยายามที่จะทําให้เห็นอย่างน้อยในวินาทีนั้นเรามีความเพียนพยายามที่จะฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของฉันนี่แหละคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือเครื่องยืนยันนะ่ะที่เป็นพุทธวจน ะ, ะพระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าทําเราใด้เป็นธรรมที่เราเคยฟังแล้วในการก่อนนะบัตรนี้เราถูกต้องแล้วด้วยนามกายอยู่อื ม, อมก็เป็นภาษาที่ไพเราะนะคะเราถูกต้องแล้วด้วยนามกายอยู่อืแหล ถ้าแปลอีกทีภาษาที่ไพเราะบางคนบอว่าไพเราะแต่ว่าขอแปลอีกทีค่ะพ <ues> ูดเม็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายก็คือว่าอ๋อเราเราเคยฟังทมเคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วแล้วเหตุการณ์เนี้ยตอนนี้โดนใจเราแล้วโดนใจเราแล้วอืม่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันได้ไปพบมาแล้วเกิดความรู้สึกก็ต้องมาเล่า ให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะเชื่อว่ามีธรรมะซ่อนอยู่ในนี้แล้วท่านเปิบุลก็ทําให้เราเห็นโดยการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะวันนี้ก็ต้องกราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะคะจะเป็นสติให้กับพวกเราทุกๆคนเชี่ยพรค่ะท่านังที่กรบคะและนี่ก็คือรายการสามัมม น, นาสนทนาโดยดิฉันสมนัมมนาคพงในช่วงเวลาที่เราได้กราบราชนาท่านเปิบุลภิบุโน มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธวจนะค่ะพุทธวจนะของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะอ่านแล้วคร้ครวญท่านจะยิ่งทราบซึ้งยิ่งถ้าเคยฟังธรรมแบบนี้ปฏิบัติตามด้วยท่านไไบร์ได้พูดในตอนต้นถึงปัดฉินวาจาที่ตรัสถึงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็ฝากกันเอาไว้อีก อย่างหนึ่งในช่วงท้ายนี่นละกันนะคะส่วนท่านใดยอยากจะใกล้ครวนพุทธวัจนะ022690006ท่านใดมีประสบการณ์ที่อยากเล่าให้ฟังแล้วถามท่านไปบูรณ์ว่ามีธรรมะอยู่ตรงไหนก็เขียนเข้ามานะคะที่เพียวเพียวธ m a .com/106 ค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวัสวัสดีค่ะ